จนกลายเป็นนิยายพื้นเมืองของเมืองสุพรรณบุรีต่อมาได้มีผู้นำเรื่องขุนช้างขุนแผนมาแต่งเป็นกรนเสภาเพื่อจะใช้ในการขับเสภาก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นครั้นเสียกรุงแล้วบางตอนก็สูญหายไปบางตอนก็ยังมีต้นฉบับเหลืออยู่เรื่องไม่ติดต่อกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภะาลัยก็โปรดเกล้าให้กวีหลายคนช่วยกันรวบรวมแล้วก็แต่งขึ้น เรียกว่าเสภาหลวงการชุมนุมกวีครั้งนั้นจึงเป็นการประกวดฝีปากเชิงกรอนอย่างเต็มที่ทําให้เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมีความไพเราะเพราะพลิ้งมากอย่างไรก็ตามได้มีนักขับเสภาระยะหลังได้แต่งเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนขึ้นอีกหลายจำนวนเพื่อใช้ขับเสภาเป็นตอนตอนในปีพศ2460 ขอพระสมุทรวชิรยานได้ชำระหนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนขึ้นเพราะมีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนหลายฉบับทั้งฉบับหลวงและฉบับราชโดยมีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกรมหมื่นกวีพจศสุปีชาทรงเป็นประธานการชำระได้คัดเลือกเอาสำนวนที่ดีที่สุดมารวมกันจนครบทุกตอนบางตอนก็ไม่สามารถจะทราบนามได้หนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลาไลได้โปรดเกล้าให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นวรรณคดีที่มีค่าทั้งในด้านความไพเราะและก็ลีลาการแต่งตลอดจนเขาโครงเรื่องได้รับการยกย่องตามพระราชบัญญัติวรรณคดีสมโมสรในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยอดของหนังสือประเภทกรอนเสภา แล้วก็ได้รับพระราชาลัญจกรรูปพระคเนศไว้เป็นเครื่องหมายของการยกย่องนั้นด้วยหนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ไม่เพียงแต่เป็นวรรณคดีสำหรับอ่านกันเล่นเพื่อได้รับรสวรรณคดีเป็นเครื่องบันเทิงใจเท่านั้นหากแต่ว่าเป็นบางตอนในวรรณคดีเรื่องนี้ยังเป็นหลักฐานที่ให้ความรู้ในเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วก็บ้านเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินสมกับที่มีคากล่าวว่า วัรรณคดีเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพความเป็นไปของบ้านเมืองในยุคนั้นๆให้คนรุ่นหลังๆได้ทราบด้วยเรื่องยอ่อขุนช้างขุนแผนก็มีอยู่ว่ามีครอบครัวสามครอบครัวคือหนึ่งครอบครัวขุนไกรขุนไกรผลไพ่ายรับราชการทหารมีภรรยาชื่อนางทองประสีมีลูกชายด้วยกันชื่อพลายแก้วนะ สครอบครัวขุนศรีวิชัยเศรษฐีใหญ่เมืองสุพรรณรับราชการเป็นนายกองกรมช้างนอกมีภรรยาชื่อนางเทพทองมีลูกชายชื่อขุนช้างหัวล้านมาแต่กําเนิดและครอบครัวที่สามเนี่ยเป็นของพันศรโยธาเป็นพ่อค้าภรรยาชื่อสีประจันมีลูกสาวรูปร่างหน้าต่างงดงามชื่อนางพิมพ์พิลาไลเนี่ยมีสามครอบครัวด้วยกัน วันหนึ่งสมเด็จพระพันวสามีความประสงค์จะล่าควายป่าจึงสั่งให้ขุนไกรปลูกพร้พาพราแล้วก็ต้อนควายเตรียมไว้แต่ควายป่าเหล่านั้นแตกตื่นไม่ยอมเข้าคอกขุนไกรจึงใช้หอกแทงควายตายไปมากมายที่รอดชีวิตก็หนีเข้าป่าไปสมเด็จพระพันวสาโกรธมากสั่งให้ประหารชีวิตขุนไกรเสียนางทองประศรีรู้ข่าวก็รีบพาพลายแก้วหนีไปอยู่ที่เมืองกาญจนบุรี ทางเมืองสุพรรณบุรีปรากฏว่ามีพวกโจรจันสอนขึ้นปล้นบ้านของขุนศรีวิชัยพ่อขุนช้างแล้วก็ฆ่าขุนศรีวิชัยตายส่วนพันสอนโยธาพ่อนางพิมพเนี่เดินทางไปค้าขายต่างเมืองพอกลับมาถึงบ้านก็เป็นไข้ป่าตายเป็นอันว่าประมุขของบ้านทั้งสามบ้านเนี่ยตายหมด เมื่อพลายแก้วอายุได้สิบห้าปีก็บวชเนนเรียนวิชาอยู่ที่วัดส้มใหญ่แล้วก็ย้ายไปเรียนต่อที่วัดป่าเราลายต่อมาที่วัดป่าเราลายจัดให้มีเทศมหาชาติเนนพลายแก้วก็เทศกันมัสซีซึ่งนางพิมพ์พิลาลัยเป็นเจ้าของกันเทศนางพิมพ์ดีเลื่อมใสามากปลื้มจนเปลืองผ้าสบาบูชากันเทศขุนช้างเห็นอย่างนั้นก็เปืืองผ้าห่มของตนวางเคียงกับผ้าสบาของนางพิมพ์ อธิษฐานขอให้ได้นางเป็นภรรยาก็ทำให้นางพิมพ์โกรธต่อมาพลายแก้วก็ศึกแล้วก็ให้นางทองประสีมาสู่ขอนางพิมพ์แล้วก็แต่งงานกันทางกรุงศรีอยุธยาได้ข่าวว่ากองทัพเชียงใหม่ตีได้เมืองเชียงทองซึ่งเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระพันวษาก็ถามหาเชื้อสายของขุนไกรขุนช้างซึ่งเข้าไปรับราชการอยู่ก็เล่าเรื่องความเก่งกล้าสามารถของพลายแก้ว เพื่อหวังจะพากพลายแก้วอให้ไปทับให้ห่างไกลจากนางพิมพ์สมเดาา็จพระพันรษาจึงให้ไปตามตัวมา่ะตามตัวพลายแก้วมาแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปรบกับเมืองเชียงใหม่ได้ชัยชนะในบ้านแสนคำแมนแห่งหมู่บ้านจอมทองเห็นว่าพลายแก้วกับพวกทหารไม่ได้เบียดเบียนให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยยกนางลาวทองลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาของพลายแก้วอีกคนนึง ส่วนนางพิมพ์พิลาไลาเมื่อสามีจากไปทับได้ไม่นานก็ป่วยหนักรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายขัวตาจูวัดป่าเดลัยแนะนําให้เปลี่ยนชื่อน่ะเปลี่ยนเป็นวันทองอาการไข้ถึงหายขุนช้างก็ทําอุบายนําหม้อใหม่ใส่กระดูกไปให้นางศรีประจันกับนางวันทองดูว่าพลายแก้วตายแล้วแล้วก็ขู่ว่านางวันทองจะต้องถูกคุมตัวไว้เป็นไม้หลวงตามกฎหมายนางวันทองไม่เชื่อ แต่นางสีประจันคิดว่าจริงประกอบกับเห็นว่าขุนช้างเป็นเศรษฐีก็บังคับไปนางวันทองแต่งงานกับขุนช้างนางวันทองจำต้องตามใจแม่แต่นางไม่ยอมเข้าหอขณะนั้นพลายแก้วกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาและได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนแผนแสนสถานจากนั้นก็พานางราวทองกลับสุพรรณบุรีนางวันทองเห็นขุนแผนพาภรยาใหม่มาด้วยก็โกรธดา่าทอโต้ตอบกับนางราวทอง แล้วก็ลืมตัวพูดก้าวร้าวขุนแผนทำให้ขุนแผนโมโหผ่านางลาวทองไปอยู่ที่กาญจนบุรีส่วนนางวันทองก็ตกเป็นภรรยาของขุนช้างอย่างจำใจต่อมาขุนช้างและขุนแผนเข้าไปรับราชการอบรมในวังแล้วก็ได้มหาดเล็กเวนทั้งสองทั้งสองคนวันหนึ่งนางทองประสีให้คนมาส่งข่าวว่านางลาวทองป่วยหนักขุนแผนก็เลยฝากเวนไว้กับขุนช้างแล้วไปดูอาการของนางลาวทอง ตอนเช้าสมเด็จพระพันวษ า, าถามนึงขุนแผนขุนช้างก็บอกว่าขุนแผนปีนกำแพงวังหนีไปหาภรรยาสมเด็จพระพันวษ า, าโกรธจึงสั่งให้นำตัวนางลาวทองมากักไว้ในวังส่วนขุนแผนนี่ให้ไปตระเวนด่านห้ามเข้าวังทําให้ขุนแผนแครนขุนช้างมากคิดช่วงจึงนางวันทองกลับคืนมาจึงออกหาของวิเศษสามอย่างคือดาบวิเศษกุมารทองแล้วก็ม้าฝีเท้าดี ขุนแผนเดินทางไปถึงซ่องโจรของหมื่นหารก็สมัครเข้าเป็นสมุนวันหนึ่งได้ช่วยชีวิตหมื่นหารให้รอดพ้นจากการถูกวัวแดงขวิดตายหมื่นหารก็เลยยกนางบัวคลี่ลูกสาวของตนให้เป็นภรรยาต่อมาหมื่นหารเห็นขุนแผนมีวิชาอาคมเหนือกว่าตนก็คิดกําจัดโดยสั่งให้นางบัวคลี่วางยาพิษฆ่าขุนแผนแต่ว่าโหงพรายมาบอกให้ขุนแผนรู้ตัว คือ น, นั่นพอนางบัวคลี่นอนหลับขุนแผนก็ผ่าท้องนางควักเอาเด็กไปทําพิธีปลุกเสกเป็นกุมารทองต่อจากนั้นก็ทําพิธีตีดาบฟ้าฟื้นและไปซื้อม้าลักษณะดีได้ตัวหนึ่งชื่อม้าสีหมอกแล้วขุนแผนก็ไปที่บ้านขุนช้างสะกดคนให้หลับหมดแล้วขึ้นไปบนบ้านแต่เข้าห้องผิดไปพบนางแก้วกิริยาก็เลยได้นางเป็นภรรยา จากนั้นก็ไปปลูกนางวันทองพาขึ้นมาหนีเข้าป่าไปขุนช้างไปฟ้องสมเด็จพระพันวษ า, าพระองค์ให้ทหารตามจับขุนแผนแต่ถูกขุนแผนฆ่าตายไปหลายคนขุนแผนกับนางวันทองหลบซ่อนอยู่ในป่าจนนางตั้งท้องจึงพากันออกมามอบตัวสู้คดีกับขุนช้างจน ะ, ะชนะคดีขุนแผนนางวันทองและนางแก้วกิริยาก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุข แต่ขุนแผนนึกถึงนางลาวทองจึงขอร้องให้จจมื่นสีสววรักษ์ให้ขอตัวนางจากสมเด็จพระพันวษ า, าทำให้พระองค์โกรธว่าขุนแผนกำเริบจึงสั่งจำคุกขุนแผนไว้นางแก้วกิริยาตามไปปฏิบัติขุนแผนด้วยส่วนนางวันทองพักอยู่ที่บ้านน้องมื่นสีขุนช้างจึงพาพักพวกมาฉุดนางวันทองไปเป็นภรรยาอีกต่อมานางก็คลอดลูกชายแล้วตั้งชื่อให้ว่าพลายงาม ขุนช้างรู้ว่าไม่ใช่ลูกของตนก็เกลียดชังวันหนึ่งจึงหลอกพาเข้าไปในป่าทุบตีจนสลบและเอาท่อนไม้ทับไว้หวงรายของขุนแผนมาช่วยไว้ทันนางวันทองจึงให้ลูกไปอยู่กับนางทองประสีที่กาญจนบุรีไายงามไปร่ำเรียนวิชาของพ่อเชี่ยวชาญขุนแผนก็พาไปฝากไว้กับหมื่นศรีเพื่อหาโอกาสจะให้เข้ารับราชการทางฝ่ายพระเจ้าเชียงอินเจ้าเมืองเชียงใหม่ ให้ทหารไปชิงตัวนางส้อยทองที่ดาพระเจ้าล้านช้างระหว่างที่เดินทางไปยังกรุงศรียุตยาเพราะพระเจ้าล้านช้างต้องการเป็นไมตรีด้วยจึงส่งทิดามาถวายตัวแล้วเจ้าเชียงอินยังส่งหนังสือท้าทายสมเด็จพระพันวษ า, าอีกด้วยพลายงามได้โอกาสจึงอาสาออกไปรบแล้วก็ขอให้ขุนแผนให้ปล่อยขุนแผนออกจากคุกด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันทาศึกขุนแผนจึงพ้นโทษ ในขณะที่กําลังเตรียมทัพนางแก้วกิริยาก็คลอดลูกเป็นชายขุนแผนตั้งชื่อลูกว่าพลายชุมพลแล้วขุนแผนกับพลายงามก็คุมทัพมุ่งสู่เชียงใหม่ขุนแผนได้แวะเยี่ยมพระพิจิตรกับนางบุษบาซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือเมื่อครั้งขุนแผนกับนางวันทองเข้ามอบตัวพลายงามจึงได้พบกับนางศรีมาลาแล้วก็ได้นางเป็นภรรยาจากนั้นก็คุมทัพไปรบกับเชียงใหม่ได้ชัยชนะ พลังกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาขุนแผนได้เป็นพระสุรินทร์ฤชัยเจ้าเมืองกาญจนบุรีพลายงามได้เป็นจมื่นไวัยวรนาฏและสมเด็จพระนางพระพันภาษาก็ยกนางส้อยฟ้าธิดาของพระเจ้าเชียงอินให้แต่งงานกับพระไวยพร้อมๆกับนางศรีมาลาพระไว้อยากจะให้แม่มาอยู่กับตนแล้วก็คืนดีกับพ่อจึงไปลักพานางวันทองมา ขุนช้างเนี่เคืองมากไปฟองสมเด็จพระพันวษ า, าจึงมีการไต่สวนคดีกันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดสมเด็จพระพันวษ า, าก็ถามความสมัครใจของนางว่าจะเลือกอยู่กับใครนางตัดสินใจไม่ได้สมเด็จพระพันวษ า, าหาว่านางเป็นหญิงสองใจจึงสั่งให้นำตัวไปประหารชีวิตพระไวยพยายามอ้อนวอนขออภัยโทษได้แต่ว่าไปห้ามปรามการประหารไม่ทัน ในครอบครัวของพระวัยก็ไม่ราบรื่นนักเพราะนางซ้อยฟ้าไม่พอใจที่พระวัยและนางทองประสีรักนางสีมาลามากกว่านางซ้อยฟ้าก็มักจะมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอนางซ้อยฟ้าเจ็บใจจึงให้เถรีขวาดทําสเสน่ห์ให้พระวัยหลงรักแล้วนางซ้อยฟ้าก็หาเรื่องใส่ความให้พระวัยตีนางสีมาลาพลายชุมพลเข้าไปห้ามก็ถูกตีไปด้วย พลายชุมพลน้อยใจก็หนีออกจากบ้านไปหาพ่อแม่ที่กาญจนบุรีเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็หนีต่อไปหายายที่สุโขทยัยได้บวชเนนแล้วก็เล่าเรียนอยู่ที่นั่นฝ่ายขุนแผนก็รีบไปที่บ้านของพระไวยแล้วก็เสกกระจกมนให้ดูว่าถูกทำสเสน่ห์แต่พระไวยไม่เชื่อหาว่าพ่อเล่นกลให้ดูแล้วก็พูดล้าเลิกบุญคุณที่ช่วยพ่อออกมาจากคุกขุนแผนก็โกรธมากประกาศตัดพ่อตัดลูกแล้วกลับกาญจนบุรีทันที ส่วนพลายชุมพลเรียนวิชาสําเร็จแล้วก็นัดหมายกับขุนแผนจะแก้แค้นพระไวยโดยพลายชุมพลศึกจากเนนปลอมเป็นมอนใช้ชื่อสมิงมัตรายกกองทัพหุ่นย่าเสกมาจนกระทั่งถึงสุพรรณบุรีสมเด็จพระพันวษ า, าให้ขุนแผนยกทัพไปต้านศึกขุนแผนแกล้งแพ้ให้ถูกจับได้พระไวยจึงต้องยกทัพไปแล้วก็ต่อสู้กับพลายชุมพลระหว่างที่กําลังต่อสู้กันอยู่ขุนแผนบอกให้พลายชุมพลจับตัวพระไวยไว้ พระไยเห็นพ่อกตกใจหนีกลับไปฟ้องสมเด็จพระพันวษ า, าพระองค์จึงให้นางสีมาลาไปรับตัวขุนแผนกับพลายชุมพลเข้าวังพรายชุมพลอาสาจับสเสน่โดยขอหมื่นศรีไปเป็นพยานด้วยพลายชุมพลจับตัวเถนกวาดกับเนนจิ๋วไว้ได้แล้วขุดรูปปั้นลงอาคมที่ฝังไว้ใต้ดินขึ้นมาสเสน่ห์ึงได้คลายตกดึกเถกวาดกับเนนจิ๋วก็สะดะโซตรวนหนีไป ในการไต่สวนคดีนางส้อยฟ้านางส้อยฟ้าไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนทำสเสน่หใส่ร้ายว่านางศรีมาลาเป็นชู้กับพระชุมพลพอจับได้พระชุมพลก็หนีไปยุยงขุนแผนเพราะฉะนั้นในที่สุดก็เลยต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยการลุยไฟานางส้อยฟ้าแพ้ถูกไฟลวกจนพูดพองส่วนนางศรีมาลาไม่ได้เป็นอะไรเลยสมเด็จพระพันวษาจึงสั่งประหารนางส้อยฟ้า แต่ว่านางศรีมาลาช่วยขออภัยโทษให้จึงเพียงถูกในประเทศกลับไปอยู่ที่เชียงใหม่เช่นเดิมระหว่างเดินทางก็พบกับเถนขวาดและเนนจิว๋วจึงเดินทางไปด้วยกันกลับถึงเชียงใหม่ได้ไม่นานนางก็ให้กําเนิดลูกชายชื่อพลายยงส่วนานางศรีมาลาก็คลอดลูกชายเช่นกันขุนแผนตั้งชื่อให้ว่าพลายเพชร พระเจ้าเชียงอินตั้งเถหนกวาดเป็นพระสังฆราชเพื่อตอบแทนความดีความชอบที่พานางส้อยฟ้าที่กลับบ้านเมืองได้อย่างปลอดภัยแต่เถหนกวาดยังแค้นพลายชุมพลจึงเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาแปลงเป็นจระเข้อาลวาดฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงไปมากมายพลายชุมพลจึงอาสาออกปราบจระเข้จนสําเร็จได้ตัวเถนกวาดมาประหารชีวิตพลายชุมพลก็ได้บรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายริ นับจากนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขครับท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานเรื่องนางกระเชอก้นรั่วไหมครับนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งไปทอดแหที่ชายทะเลแห่งหนึ่งพร้อมด้วยภรรยาของตัวทอดตั้งแต่เช้าได้ปลามากมาย ฝ่ายสามีเป็นคนทอดภรรยาเป็นคนถือข้องใส่ปลาเดินตามหลังเวลานั้นก็มีนายสำเภาคนหนึ่งพร้อมด้วยภรรยาก็ลงเรือสำปั่นมาซื้อปลาของชาวประมงเขาก็บอกว่าจะขอซื้อปลาสักหน่อยเถอะชาวประมงก็บอกว่าเอาสิก็เพราะว่าเห็นว่าทอดแถได้ปลามากแล้วเขาก็เลยเข้าไปก้มดูในข้องใส่ปลาที่ให้ภรรยาถือไว้แต่ชาวประมงกรใจาหายวาเ่าเลยเพราะว่าในนั้นมีปลาอยู่แค่สามตัวเท่านั้นเอง ดูไปดูมาก็รู้ว่าคลองที่ภรยาถือนั้มันก้นมันรั่วปลาก็เลยหล่นไปหมดชาวประมงก็โมโหมากโอ้ยบ้าจริงๆเลยทอดแหได้ปลาตั้งเยอะแยะแล้วทําไมแกไม่ดูแลให้ดีดูสิก้นคลองที่มันรั่วเนี่ปลาหล่นหมดเลยอะก็ข่าไม่ได้ดูนี่แล้วทาไมแกไม่ดูแลเองอะ่ะข้าถือไว่าเฉยๆอะนายสัมภาเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันอย่างนั้นกูพยายามห้ามปรามประกอบกับเห็นนางกระเชอดก้นรั่วภรยาชาวประมงเป็นคนสวย ก็ผูกูกระชาวประมงขึ้นบอกว่าเอาแบบนี้แม่เพื่อนเอาเมียของเพื่อนมาแลกกับเมียของเราเป็นยังไงอะอ่ ะ, อะดีเหมือนกันเราก็เบื่อนางคนนี้เต็มทีแล้วผู้หญิงอะไรไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างว่ายภรรยานายสัมเพาก็ร้องไห้คร่ำครวญเพราะรู้ว่าผัวจะแลกตัวกับเมียคนอื่นเพราะว่านายสัมเพาเป็นคนร่ำรวยนางไม่อยากไปตกระครลาบากอะ่ะโทษนี้ท่านจะทิ้งเขาไปจริงๆเหลือนายสัมเพล ไปชาประมงก็ต้องปลอบประโลมเป็นการใหญ่ไม่เป็นไรหรอกมาอยู่กับพี่้น้องรับรองพี่ไม่ให้อดตายอะนะส่วนนางกระเชือก้นรั่วภรรยาของชาวประมงพอผัวยกตัวให้กับ น, นายสำเภางก็ดีใจมากเพราะว่านายสำเภามีฐานะร่ํารวยต่อไปตัวจะได้สุขสบายในที่สุดนายสำเภาก็พานางกระเชือก้นรั่วไปไปชาวประมงก็พาภรรยายนายสำเภางมาอยู่ด้วยกันสองคนก็ช่วยกันทํามาค้าขาย โดยชาวประมงเป็นคนไปทอดแแหหาปลามาขายเมียในสำเพนะอยู่กับย้าวเฝ้ากระเรือนทำงานบ้านสารพัดเป็นคนฉลาดรู้จักเก็บรักษาสิ่งของและทรัพย์สมบัติต่างๆเมื่อสามีชาวประมงทอดแแหได้ปลามามากๆแกก็เอาไปขายที่ตลาดบ้างทําแห้งเก็บไว้ขายบ้างได้เงินมาก็เก็บห้อมรอมริบเอาไว้จนในที่สุดชาวประมงก็มีฐานะร่ํารวยจนถึงก็มีการตั้งโรงทานเลี้ยงคนไว้ที่หน้าบ้านทีเดียว ข้างฝ่ายนายสำเภาผู้เป็นเศรษฐีพอได้นางกระเชื่อข้นรั่วไปอยู่กินด้วยกันในความที่นางกระเชื่อข้นรั่วไม่รู้จักเก็บรักษาสมบัติอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้ฐานะของนายสำเภานี่ตกต่ําลงเรื่อยๆนางกระเชื่อข้นรั่วเนี่ยการบ้านการเรือนก็ไม่เป็นเป็นต้นว่าอาหารที่ทํากินมือหนึ่งมือหนึ่งเมือ่อเหลือแทนที่จะได้เก็บไว้กินมืออื่นก็แท้ทิ้งซะหรือว่าทิ้งให้บูดให้เน่าให้เสียไปเสื้อผ้าคเครื่องจต่งตัวก็เหมือนกันใช้ของไม่เป็น จำพวกผ้าใยไหมผ้าแพรซึ่งมีราคาแพงแทนที่จะเก็บเอาไว้ตัดเสื้อสวมใส่กลับเอามาทำผ้าอ้อมลูกพ้าอุจจาระลูกเปื้อนผ้าอ้อมแทนที่จะซักให้สะอาดก็เที่ยวทิ้งเที่ยวว่างเพราะขี้เกียจซักคนข้างบ้านก็เก็บมาซักไม่ต้องซื้อความที่นางกระเจาคนรวไม่ประสีประสาเรื่องการบ้านการเรือนไม่เป็นคนมัธยัติไม่รู้จักอดออมนี่เองทรัพย์สมบัติของนายสมเผาก็หมดลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เป็นหนี้เขาเรือสำเภาก็โดนยึดเอาไปหมดไม่มีเงินจะใช้หนี้นายสำเภาต้องกลายสภาพจากคนร่ํำรวยกลายเป็นคนยาจกเขินใจสองคนผัวเมียอุ้มลูกเดินโซซาโซเซออกจากบ้านเดินทางไปเที่ยวขอทานเขาตามเมืองต่างๆจนมาถึงเมืองที่ชาวประมงอาศัยอยู่นายสำเภาและนางก็เจอคนรัวพร้อมกับลูกก็แวะเข้าไปที่บ้านชาวประมงเพรเห็นเขาตั้งโรงทานเอาไว้ชาวประมงก็ให้การต้อนรับด้วยอาหารอย่างดี ภรยานายสัมภาวก็ต่อว่านายสัมภาวขึ้นมาเป็นยังไงอะ่ะฮะเพราะท่านทิ้งข้าไปแท้ๆ ท, ท่านถึงต้องยากจนถึงขนาดต้องมาขอทานเขากินอย่างเงี้ยนายสัมภาวและนางกระเชือกก้นรั่วพักอยู่ที่บ้านของชาวประมงคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็อุ้มลูกออกขอทานไปยังเมืองอื่นต่อไปนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสุภา ษ, ษิตที่คนเฒ่าคนแก่ทั้งปักใต้เขานิยมเล่าให้ลูกๆหลานๆฟังโดยเฉพาะลูกผู้หญิงทั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะสั่งสอนว่า ลูกผู้หญิงนั่นจะเป็นคนมีค่าหรือเปล่าก็อยู่ที่การรู้จักเก็บรักษาสิ่งของและทรัพย์สมบัติต่างๆไม่เป็นคนหยิบโยงถึงจะเป็นแม่สีเรือนของสามีท่านผู้ฟังคงจะสังเกตว่าทุกวันอาจารย์ยอดพยายามจะเล่านิทานนิยายอะไรต่างๆให้ฟังทั้งนี้ก็เพราะว่าในแก่นแท้ของธรรมะเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้ อ, อนิทานทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเปลือกส่วน สปิริตของนิทานเนี่ยมันเหมือนกับเนื้อในแต่ว่าเปลือกกับเนื้อนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าได้เกลียดเปลือกเลยแล้วก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเอาแต่เนื้อมันจะเน่าไปหมดคือท่านเนื้อไม่มีเปลือกนี่มันก็ต้องเน่าอ่ผลไม้อ่ะไม่มีเปลือกแล้วเนื้อมันจะอยู่ได้ย่งไรจะเป็นมังคุดทุเรียนอะไรก็ตามถ้ามันไม่มีเปลือกเพรามันเนี่ยเนื้อมันจะอยู่ได้อย่างไงจะสําเร็จประโยชน์ในการบริโภคของเรายัางไง ทั้งที่เราต้องการบริโภคเนื้อแต่ว่าเปลือกมักจะทิ้งแต่เปลือกของมันก็ต้องมีหรือว่าการที่ผลไม้มันจะออกมาจากต้นมีดอกแล้วจะเป็นลูกนี่มันก็ยังต้องเอาเปลือกออกมาก่อนเพื่อให้เนื้ออาศัยอยู่ในเปลือกแล้วจะเริญขึ้นถ้าไม่มีเปลือกส่งเนื้อออกมาก่อนมันก็เป็นต้นไม้ที่โง่อย่างยิ่งคือมันจะเป็นผลไม้ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องโดนแดดโดนลมโดนอะไรต่างๆมดมแมลงกดัดกินหมดละ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเปลือกที่นั่นหนาเกิดขึ้นก่อนก่อนที่เนื้อจะเจริญขึ้นในนั้นมันก็จะเป็นผลไม้ที่เติบโตโตแล้วก็แก่แก่แล้วก็สุกก็กินได้นั่นคือคุณค่าของเปลือกนะมองดูอีกแง่หนึ่งเนี่เปลือกมันยิ่งกว่าเนื้อมันมีค่ามากกว่าเนื้อก็ได้เพราะว่ามันทําให้เนื้อเกิดได้สําเร็จประโยชน์แต่เราก็ไม่มีใครกินกินเปลือกเพราะว่าต้องการจะกินเนื้อ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเปลือกจัดเนื้อให้มันกลมกลืนกันไปนิทานอีศบหรือว่านิทานอะไรก็ตามท่านบุฟังตัวนิทานมันก็เหมือนกับเปลือกที่จะรักษาเนื้อไวให้คงอยู่มาจกนกระทั่งถึงบัดนี้ได้ถ้าไม่ใส่ไว้ในนิทานแล้วความคิดอันลึกล้ําของอีศบเนี่ยก็อาจจะไม่มาถึงเรามันสูญเสียไปก่อนนานแล้วแล้วก็จะไม่มีใครสามารถรับช่วงความคิดนั้นมาถึงเรา ก็เพราะว่าเขาไม่มีการกีดการเขียนอะไรกันสมัยนั้นก็ใช้กันเล่าด้วยปากกันอย่างเดียวทุกวันนี้ชนชาติเอสกิโมซึ่อยู่ทางขั้วโลกเหนือก็ยังมีวัฒนธรรมหรือว่าอะไรของเขาเล่าต่อกันมาเป็นพันๆปียังพูดยังเล่ายังสอนกันอยู่คนพวกนี้ไม่มีหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีหนังสือพวกเอสกิโมอยู่ในอิกรูหรือว่ากระท่อมที่ทำขึ้นโดยแท่งน้ําแข็งแต่พอค่ําลงก็จุดตะเกียงในกระท่อมแล้วคนที่แก่ชั้นปู ชัญญานี่ก็นั่งลงเล่าสิ่งต่างๆที่ได้ยินมาจากพ่อจากปู่จากทวดเด็กเล็กๆก็มานั่งล้อมนั่งฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆแต่จาด้วยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันจนเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นปู่ก็ยังเล่าต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงสืบสิ่งต่างๆไปได้เป็นพันๆปีแล้วก็อยู่ในเปลือกคือนิทานทั้งนั้นเขาจะต้องเล่าเป็นนิทานอย่างนั้นชื่อนั่นที่นั่นอย่างนั้นอย่างนั้น นี่คืออ น, นิสงส์ของเปลือกเพราะฉะนั้นขอครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่าได้ดูถูกดูหมิ่นนิทานชาดกในพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่านั่นแหละคือเปลือกที่ได้หุ้มห่อล่อเลี้ยงธรรมะเอาไว้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท้องเรื่องชาดกนั้นเราเห็นได้ชัดว่ามีมาแต่ก่อนพุทธกาลแล้วจึงเข้ามาบรรจุในพระพุทธศาสนาท้องเรื่องของเนื้อนิทานเหล่านั้นเป็นของก่อนพุทธกาล ซึ่งเป็นบรรดาอัตตกระถาจารย์อะไรก็แล้วแต่ท่านเอามาเพื่อเป็นภาชนะสําหรับใส่บทพระธรรมอาจารย์ยอดถือว่าการเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเรื่องธรรมะได้เนี่ยเล่าเพียงห้านาทีแล้วเข้าใจดีกว่าที่จะเล่าธรรมะระดับสูงตั้งชงั่วโมงเสร็จแล้วไม่รู้เรื่อง